บทที่67ครั้นแล้วก่อนจะสิ้นความเหนียวรั้งหมดความเป็นตัวของตัวเองก็ปรากฏเสียงดังแทรกเบาๆขึ้นที่พื้นหินเกลี้ยงอันเขาและคริสยืนประจันหน้ากันอยู่ในขณะนี้หล่อนจะสำเนียกหรือไม่ไม่อาจทราบได้แต่เขาได้ยินและสัมผัสชัดมันเป็นเสียงก้อนกรวดเล็กๆซึ่งปลิวมาจากที่ใดที่หนึ่งพุ่งมากระทบพื้นบริเวณใกล้เท่า ใกล้เท้าที่เขายืนอยู่แล้วแฉลบกระเด็นไกลออกไปไม่มีใครบุญคำแน่ที่เจตนาปาก้อนกรวดนั้นมาเหมือนจะเป็นการเตือนสติเขาแล้วฉับพลันที่เสียงกรวดเล็กๆปลิวมาเช็ดกระทบแผ่นหินภาพใบหน้าของดารินวราฤทธิ์ที่ซ้อนอยู่บนใบหน้าของคริสตินากรูบิลอยู่ในขณะนี้ก็สลายวับ คงกลายเป็นใบหน้างามของแม่ผมทองเลือดอเมริกันผสมตุรกีคนเดิมขจัดความสับสนเคริบเคลิมหลงผิดของเขาไปในฉับพลันดุดคนที่ตื่นขึ้นจากความฝันฉะนั้นอ้อมแขนที่โอบหล่อนไว้อย่างกระชับแน่นและใบหน้าที่ก้มต่าลงมาจนริมฝีปากเกือบจะจดกับริมฝีปากที่เพอเยอรอรับอยู่ก่อนแล้วก็พรันชะงักงันอยู่แค่นั้น สัมผัสได้ถึงลมหายใจของกันและกันคริสเองก็ชะ ง, งักจ้องตาเขาอย่างโงนทำไมหล่อนกระซิบถามกระพินถอนใจลึกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณไม่เกลียดฉันไม่ใช่หรือผมไม่เคยเกลียดคุณก็แล้วทำไมเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันที่สุดคริสเราจะคบกันในฉันเพื่อนเท่านั้น จะไม่มีเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเด็ดขาดเขาบอกที่ริมหูของหล่อนอยังนุ่มนวลสุภาพอ่ อ, อนโยนแต่ก็เด็ดเดี่ยวยิ่งคริสตินาสะดับฟังเขายังสงบลำแขนทั้งสองอยังทอดครองก้านคอเขาไวเช่นนั้นไม่มีทีท่าว่าหล่อนจะแสดงความขุ่นเคืองพรุ่งพรานใดๆทั้งสิน้นตาสีฟา ง, งามสะท้อนเงาของดวงจันทร์ และใบหน้าเขาเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นประกายเรืองระยับคุณทำให้ฉันยิ่งศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวคุณที่สุดรู้ไหมขอบคุณอย่างเพื่อนโดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศคุณพิสุจน์ให้ฉันเห็นถึงความสนิทใจยิ่งเพื่อนแก่ฉันได้ไหมหรือแม้แต่สิ่งเล็กๆในน้อยนั้นคุณก็ยังไม่สามารถจะทาได้เอาละสาหรับคุณไม่เพื่อนยาก เขาจูบแผวเบาที่หน้าผากและแก้มทั้งสองข้างของหลอนอย่างเต็มใจคริสสะท้อนสะเทือนไปทั้งร่างหลอนเองก็พยายามกำลังพยายามระ ง, งับคมความรู้สึกอันเลนลับภายในไว้ขีดสุดใจจริงอยากจะกรีดร้องอยากจะพรุสวัดด่าทอเขาอยากตบหรือทำร้ายร่างกายเขาแต่ผู้หญิงฉลาดอย่างหลอนไม่อยู่ในฐานะ ที่จะแสดงความเร่าร้อนของอารมณ์เปลอยออกมาเช่นนั้นได้แต่หนักได้ดีว่าวิธีการเช่นนั้นจะไม่มีวันพิชิตบุตผู้มีหัวใจมั่นคงปานเหล็กเพชรคนนี้ได้อย่างเด็ดขาดและหลอนก็มือคนละชั้นกับอิสเบลเหลี่ยมคูชั้นเชิงห่างกันหลายขุมนะระยะทางเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกันมันยังอีกแสนยาวไกล หนตั้งหากที่จะมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดเข้าผู้นี้หาใช่แม่ดวงใจในฝันของเขาคนนั้นไม่ต้องมีอดีตอันลึกซึ้งผูกพันต่อกันแน่นแฟนเพียงไรก็ตามต่อให้มีอดีตอันลึกซึ้งผูกพันต่อกันแน่นแฟนเพียงไรก็ตามตราบใดที่เขายังเป็นผู้ชายทั้งแท่งเท่าเท่ากับที่หล่อนก็รู้ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่เรียบพร้อมไปด้วยสเสน่ห์แห่งเพศ มีพลังดึงดูดปานภูเขาแม่เหล็กชายคนนี้จะใช้สรีละความยียวนเข้ามาปิดเครื่องรอให้ถล่มไม่ได้เลยหล่อนอยังซึ้งดีแต่คุณทำความดีน้ำจิตน้ำใจความเสียสละความอ่อนโยนเท่านั้นจะเป็นกับดักให้เขาเดินเข้าหาโดยเองไม่รู้ตัวคริส พ, พึมพขอบคุณสุดกายลงนั่งบนโขดหินช้า ยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าตนเองแล้วเงยขึ้นสลัดผมควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบระพินหย่อนกายลงนั่งตรงหน้าหล่อนส่งซองบุหรี่ไปให้เขาเมื่อพรานใหญ่หยิบขึ้นมาคับหล่อนก็ยื่นบุหรี่ของตนเองในริมฝีปากที่ติดไฟอยู่ก่อนแล้วเป็นการบังคับให้เขาจุดต่อกับบุหรี่ของหล่อนใบหน้าของคนทั้งคู่เข้ามาใกล้กันอีก คริสเป่าควันบุหรี่ช้าๆไปที่ใบหน้าของเขาและววางคางลงบนฝ่ามือที่สอกยันอยู่บนหัวเขายิ้มนิดๆคุณทำอะไรนะเขาถามเป่ามนสะกดคุณยังไงละ่ะระวังนะฉันก็แม่มดหมอผีเหมือนกันรุภาพบุรุษไพรหัวเราะบนความดุดันแข็งกร้าวและชาเย็นแค่ที่จริงคุณเป็นคนหวานนะคริส ก็คงจะเหมือนกับคุณกระมังรู้ไหมฉันอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเขาเลิกคิวแทนคำถามหล่อนจึงกล่าวยิ้มยิ้มต่ออยากให้คุณเจ็บป่วยลงอีกยังไงละ่ะฉันจะได้คอยดูแลรักษาพยาบาลคุณอย่างคืนนั้นคืนที่เราอยู่กันเหนือหุบผาตะเคียนทองประพินเปาบรีเป็นทางยาวลงต่ำแล้วสั่นศีะช้าชาไม่ดีแน่ ไม่เฉพาะสำหรับตัวผมเองเท่านั้นจะหมายถึงพวกคุณทั้งหมดด้วยผมเป็นมักคุเทศเป็นพรานนำทางเป็นหลักประกันแห่งความปลอดภัยของทุกคนในปา่าลึกอันกันดานนี้ถ้าผมเจ็บป่วยเสียคนเดียวพวกคุณนั่นแหละจะลำบากและตัวผมเองก็ไม่ปราถนาในความเจ็บป่วยนั้นด้วยแม้ว่าจะได้รับความอบ อุ่นเมตาปราณีจากคุณและพวกคุณเพียงไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าภาวนาแม่ผมทองเอื้อมมือมาใช้นิ้วเขี่ยปลายคางเขาเบาๆจำได้ไหมคืนนั้นฉันนอนเฝ้าคุณใกล้ๆตลอดทั้งคืนก่อนที่คุณจะรู้สึกสติรู้สึกตัวผมจำได้เสมอในความกรุณาของคุณข้อนั้นและคุณรู้ไหมคุณกอดฉันนอนหลับไปทั้งคืนจนฉันไม่กล้ากระดิกตัว เพราะกลัวคุณตื่นรู้สึกตัวขึ้นพลานใหญ่เอาข้อนิ้วขยี้ปลายจมูกเบาๆผมต้องขออภัยเป็นอย่างมากในข้อนั้นเพราะไม่รู้ตัวเลยคุณดีต่ผมมากคริสในหลายๆกรณีทีเดียวที่ผมตกเป็นหนี้บุญคุณคุณและผมสาบานว่าผมจะไม่ลืมน้ำใจอันดีงามความกล้าหาญเสียสละของคุณก็ณบอกแล้วยังไงแล้ว่ะ ในแง่ของเพื่อนแล้วคุณเป็นคนมีน้ำใจน่าสรรเสริญมากเพราะฉะนั้นหนักนิดเบาหน่อยที่คุณเคยกระทำต่อผมมาแล้วผมจึงไม่ถือสาเป็นอารมณ์เพราะเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆแล้วคุณเป็นคนคบได้ทีเดียวแหละผมกล้าที่จะกล่าวได้ว่าในจำนวนพวกคุณทั้งหมดที่มาด้วยกันห้าคนนี่คุณเป็นคนมีขีดความสามารถสูงสุดในการผจญภัย แต่คุณก็ยังไม่ไว้วางใจฉันหรือพวกเราสนิทยอยู่นั่นเองในการเดินทางทำงานสําคัญที่ได้รับมอบหมายชิ้นนี้เราแวงอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเราจะหักหลังภายหลังจากที่คุณนำเราไปสู่ความสำเร็จแล้วประพินยักไหลนิดหนึ่งแต่สีหน้ายิ้มพวกคุณต้องรู้ตัวเองดีว่าแต่ละคนของฝ่ายคุณยกเวนเชิดวุฒ ไม่ใช่ผู้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสามัญธรรมดาทุกคนล้วนเป็นสปายสายลับที่ทำงานสำคัญสุดยอดให้แก่ประเทศชาติของคุณก็อยากจะถามเฉพาะตัวคุณเองว่าถ้ามีคำสั่งให้ฆ่าหรือทำลายพวกผมเสียภายหลังกู้ระเบิดของคุณสำเร็จคุณจะทำได้ลงคอไหมในเมื่อเราก็ได้มาร่วมชีวิตกันถึงขนาดนี้แล้ว คริสหัวเราะเสียงนุ่มโน้มตัวลงไปกอดคอเขาไปอีกครั้งเอาหน้าผากจดกับหน้าผากเขาเหลือบตาขึ้นมองตาเรื่องนี้บอกไม่ได้นะก็ต้องดูกันไปเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์สำคัญว่าคุณอย่าประมาท ร, ระวังตัวให้ดีก็แล้วกันประโยคหลังหล่อนเน้นอย่างมีความหมายประหลาดพระใบหน้าห่างจากเขาแล้วชายมองด้วยหางตา ย, ย, ยิ้มที่มุมปาก คืนนี้คริสติน่างามประทับใจและน่ารักจริงๆไม่ว่าจะกริยาท่าทีหรือท้อยวาจาแต่ระพินไพรวันสำรวมสมาธิและขันติมั่นจะไม่ยอมให้จิตใจของตนเองค่อยเขววอกแวกเป็นอันขาดและแม่ผมทองก็ฉลาดพอที่จะไม่เอย่ยใดๆไปถึงยอดหญิงอันเป็นที่รักของเขาเลยแม้แต่คาเดียวหล่อนรู้ว่า คืนพูดไปก็ลังแต่จะทำให้บังเกิดความเศร้าหมองคุณมัวแก่เขาเรื่องของการสนทนาจึงจำกัดแวดวงเฉพาะลําพังตัวสองสองต่อสองเท่านั้นและหล่อนก็มัดระมัดระวังคำพูดกิริยาอาการก็ไม่ทำให้เขาต้องหนักใจกังวลวันเกรงใดๆยาเมื่ออยู่ตามลาพังกับหล่อนขณะนี้เลยขณะนั้นเองเสียงโครนที่ยังพูดพลายเดือดอยู่เป็นระยะ มันดังผิดปกติไปกว่าเคยเดีย๋ยวว่าแต่ระพินเลยไม่แต่คริสเองก็ยังรู้สึกสัมผัสได้กับเสียงที่ดังผิดแปลกไปเพราะแทนที่มันจะดังพลุบพรับสม่ำเสมอเพียงเบาๆเสียงที่ดังมาในครั้งนี้ดังพืึบจนบริเวณก้อนหินที่นั่งอยู่ไว้เล็กน้อยดวงจันแฝงตัวเข้ากรีบเมฆดำทุกสิ่งกลายเป็นเงาตะคุ่มเลือนรางทันที แทนที่จะกระจ่างจ้ามองเห็นอะไรได้ถนัดคริสพยายามมองหน้าเขาในความมืดแล้วคว้าไฟฉายแต่หล่อนก็ยังช้ากว่าเขาเพราะลําไฟล่าสัตว์ในมือของพรานใหญ่ศาสตร์เจ้าไปยังบริเวณบ่อโครนนั้นก่อนแล้วสิ่งที่เห็นทําให้คริสพั ง, งะอุทานอะไรออกมาคํานึ่งเบาๆส่วนจอมพรานทะลันยืนพร้อมทั้งคว้าไร่เฟินกระชากแขนหล่อนให้ยืนตามทันที กลางบ่อโครนของของเหลวข้นคลักเป็นลอยนูนสูงขึ้นมาเหมือนจะมีอะไรดันอยู่ภายใต้ลักษณะที่มันอูดนูนขึ้นมานั้นมีสภาพคล้ายหลังเต่าค่อยๆสูงขึ้นเป็นลําดับจนดูเหมือนว่าถ้าวัดระดับจากปากบ่อแล้วมันจะสูงกว่าบริเวณปากบ่อขึ้นมาไม่ต่ํากว่าหนึ่งเมตรครึ่งไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นแต่ค่อยๆ นูนสูงขึ้นเพิ่มขึ้นทุกทีเป็นกลุ่มทึบของของเหลวลักษณะข้นคลักนั้นทั้งสองจ้องขมิงตามลำไฟฉายคริสขยับจะอ้าปากแต่พินอุดปากหล่อนไว้กระซิบเร็วปรือเฉยเงียบไวหล่อนยืนตัวแข็งจ้องตะลึงค้างไปยังตำแหน่งนั้นอึดใจต่อมารอยที่ถูกดันนูนขึ้นก็แตกกระจายพวดเหมือนจะเอาตังเมลเหลวๆมาเป่าให้เป็นลูกโป่งพองจนแตกแล้ว สิ่งที่ยังไม่อาจเดาได้ชนิดหนึ่งก็ตวัดวูบขึ้นมาตามรอยแตกระเบิดตูมนะั้นสเกตโครนน้อยใหญ่ปลิวกระจายไปทั่วพร้อมด้วยรัศมีของไออันร้อนวูบเหมือนมีใครมาเปิดเตาอบใส่หน้าในระยะใกล้ปล่อยโครนบางส่วนปลิวกระเด็นมากระทบร่างกายของคนทั้งสองเปรอะไปหมดเฉพาะเกตคโครนที่ปลิวมาถูกนะั้นไม่ถึงกับร้อนจัดเกินไปนะแต่มันก็ร้อนขนาดทําให้สะดุ้งทั้งบ่อกระเพื่มก็ชอเป็นระลอกคลื่น ยังมองเห็นอะไรไม่ถนัดอยู่เช่นนั้นในบาดโดนใครสองคนซึ่งอยู่ในโลแวกใกล้เคียงก็วิ่งถลันลงมาบุญคํากับจันร์นั่นเองร้องกระดกระหอบน้ายถอยเร็วอะไรมันจะขึ้นมาจากบ่อโครนนั่นระปินใช้มือที่ถือไรเฟิลปาดเปยียงคนทั้งสองของเขาที่แลนตารีตะเลือกลงมากระซิบเร็วหรือหลบเขาเ้าไปในโพรงหินนั่นก่อนเร็วอย่ายืนอยู่ตรงนี้2 ส, สมุนคู่ใจว่องวายปรานทหารพระรามเพราะสารพัดเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาเป็นการฝึกปรือไว้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ทั้งสองเพนข้ามโคหินเตี้ยๆที่ขวางอยู่แน่นตรงไปยังปากโพรงของชะ ง, งอนหินใหญ่อันแลดูเหมือนปากถ้ำเล็กๆที่อยู่ไม่ห่างไกลจากบ่อโคลนประหลาดนั้นเท่าใดนะักและเพนยังคงฉายไฟส่องจับไปยังตรงจุดที่มาของการเคลื่อนไหวประหลัดกลางบอ่อโคลนเดือดอีกมือหนึ่งกระชากเอลคริสผู้ยังโมจ ล, ลึ่มต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันให้เดินถอยหลังห่างจากจุดที่ยืนอยู่ออกมาอย่างรวดเร็วรอยนูนที่ถูกดันขึ้นมาลักษณะหลังเตาขนาดมะฮึมา เริ่มปรากฏขึ้นในอาการเดิมอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่มันแตกกระจายไปครั้งแรกแล้วเป็นปรากฏการ์อย่างเก่าคืค่ อ, คอยๆดันสูงขึ้นมาทีละน้อยเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกทีแล้วในที่สุดก็แตกรูปขึ้นเป็นครั้งที่สองสกเก็ตโครนยิ่งกระจายว่อนรุนแรงกว่าครั้งก่อนจนเปียกปอนหน้าตาล่างกายและเสื้อผ้าของคริสกับรบพินไปหมดจอมพรานผลักคริสให้แล่นออกไปก่อนพร้อมกับตะโกนเขาไปหลบอยู่ในซอกหินกับจันทร์และบุญคํา คริสตินาเร็วทันใจสมกับบุคลิกของหล่อนครั้งแรกเซพังนะลุ้นลุนไปก่อนพอตั้งตัวติดหลอนก็พบว่าเพาวเนวื้นข้ามก้อนหินวิ่งไปล้มตัวกลิ้งอยู่ตรงบริเวณที่บุญคําและจันท์เข้าไปหมอบกําบังอยู่ก่อนแล้วแต่เทารีบตะครุบตัวหล่อนกระชากให้หลบลึกเข้าไปอีกอลัมละลักเป็นรถไฟด่วนว่าเข้ามาลึกๆแ ม, ม่คริสถ้ามันไม่เข้าการเสียแล้วไม่รู้อะไรมันกําลังโผล่ขึ้นมาจากไอบ่อนรกนั่นน้าไอทอยเธอเรีเ ร, เร็วเข้าประโยคหลังแกตะโกนลั่นออกไป เราพินสำรวมจิตและสติมั่นจ้องขมิงไปยังตำแหน่งนั้นพรางเดินถอยหลังไปยังตำแหน่งที่คนของเขาและคริสเข้าไปซุ่มกำบังอยู่ก่อนแล้วสภาพบ่อโครนบัดนี้มืดมิดเพราะเมฆดำก้อนมืดมาที่ลอยเข้ามาบังดวงจันทร์ไว้หมดสิ้นอะไรชนิดหนึง่งแตกต่างไปจากสภาพโครนกลางบ่อบัดนี้ชูร่าขึ้นมาแล้วในเงามืดมองดูเหมือนท่อนสุงขนาดสองคน สองคนโอบที่สามารถเคลื่อนไหวอ่อนตัวได้รพินกลั้นใจศาสตร์ลำไฟฉายจี้เข้าไปอีกแสงสะท้อนจากไฟฉายกระทบเขากับสิ่งหนึ่งยังบริเวณส่วนที่โผล่ร่าขึ้นมาเคลื่อนไหวโอนเอ็งไปมานะเปร่งประกายเขียวปัดและวาวจ้าเหมือนมรกตตอบมาในทันทีหูปแปล ก, ก็เพียงดวงเดียวแต่เมื่อมันบ่ายเบนหัวตรงมาตามลำแสงไฟ ดวงมรกตขนาดใหญ่ทั้งคู่ก็ปรากฏเป็นลัศมีโชดช่วงกระไอความร้อนที่มีอยู่ก่อนแล้วบัดนี้ยิ่งทวีเพิ่มขึ้นยังกระทันหันขณะที่สิ่งประหลาดนั้นพูดโผในลักษณะท่อนยาวโครนที่จับตามลำตัวร่วงเพรๆ ล, ลงไปในบ่อแล้วก็ปรากฏเสียงคลื่นครันไหวสะเทือนไปหมดตลอดทั้งบริเวณบ่อโครนเดือดนั้นด้วยอาการเคลื่อนไหววาดแหวงลาตัวที่ยังจมอยู่เบื้องล่าง ประพินดับไฟทันทีลดตัววูบลงกําบังโขดหินเสียงของการเคลื่อนไหวอันดังครื่นครมกลางบ่อโครนและเสียงร้องตะโกนเอะอาของบุญคํากับจันทร์ในขณะนี้เขาเชื่อแน่ว่าจะต้องแววได้ยินไปยังบรรดาในจ้างและพวกลูกหาบที่พากันนอนหลับอยู่บนแคมป์ซึ่งไม่ห่างขึ้นไปมากนะักแน่นอนยกเว้นแต่ว่าใครจะขี้เศร้าหรือว่าถูกสะกดอยู่ด้วยยานอนหลับโดยหลับเป็นตายเท่านั้นกระชากวิทยุที่เนบเอลขึ้นมา ปิดสวิตกดเรียกทันทีเสียงรัวเร็วแทบไม่เป็นภาษากระพินเรียกทุกคนเตรียมพร้อมกระจายกันหลบข้อซอกหินที่แข็งแรงที่สุดอะไรบางอย่างกําลังโผล่ขึ้นมาจากบ่อโครนเดือดเขากดคีย์เรียกตือนละล่ำและลักอยู่คนเดียวจะไม่มีเสียงวิทยุจากพักพวกคนใดตอบมาเลยมันแสดงให้เห็นว่ากระแสะคลื่นวิทยุไม่สามารถทํางานได้เลยในขณะนั้นและในทางตรงข้ามแทนที่จะได้รับคำตอบหรือสัญญาณจากวิทยุมือถือ เขากลับได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวตื่นขึ้นขึ้นอย่างสับสนชุนลมุนและร้องไออาร้องถามกันอยู่โขมฟังไม่ได้สับจากพวกข้างบนเสียงนั้นพอจะแว่วลงมาให้ได้ยินได้ภระยะอันเรียกได้ว่าใกล้พอสมควรไม่มีเวลาเหลือพอที่จะให้เขาได้ใจ ต, ตรองชักช้าอย่างใดอีกไม่แต่เสี้ยววินาทีเพราะสิ่งประหลาดนั้นกำลังเคลื่อนใกล้บอโครนด้านที่เขาหลบกำบังอยู่เข้ามาแล้วด้วยอาการเช่มช้าปกติอย่างไม่มีใครสนใจต่อสิ่งใดของมันทั้งสิ้น ลักษณะเป็นเจตนาที่จะขึ้นมาบนพื้นเพื่อ น, นำตัวให้พ้นจากตำแหน่งที่มันผุดโผล่ขึ้นมาเท่านั้นอย่าฉายไฟอย่ายิงเขาตะโกนขึ้นสุดเสียงเจตนาโดยตรงที่จะสั่งเตือนไปยังคริสจันท์และบุญคำซึ่งบัด น, นี้เขาไปหมอบซุกตัวอยู่อย่างปากโพรงหินใหญ่อันมีลักษณะเหมือนซอกทําเล็กๆนั้นคริสปรดเซฟปืน M16 กแบบคอมมานโดของหล่อนแล้วและกาลังจะ ก, กระชากทานออกมาเพื่อกระทบไล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 ทัศนียภาพเบื้องหน้าพอจะมองเห็นอะไรกระจ่างได้เช่นเดิมทุกคนที่ประจันหน้าอยู่ในระยะใกล้ในขณะนี้ไม่ได้ตาฝาดไปเลยพอประกายจันทร์ทอดลำสว่างลงมาเท่านั้นบางส่วนของร่างกายสิ่งประหลาดนั้นก็กระทบแสงจันทร์ปรากฏแสงเรืองรองอาบไว้ด้วยแรงเรืองเรืองรองราวกับอาบไว้ด้วยฟอสฟอรัสทว่าก็ยังไม่สามารถกําหนดสันฐานได้อย่างแน่นอนลงไปในขณะนี้ เห็นผัดผาแต่เพียงว่าจะต้องเป็นโคดวงของสัตว์จำพวกเลื้อยคลานแน่นอนสองเท้าสั้นสั้นแตกต่างไปจากลักษณะลำตัวที่ยาวเรียวเกาะตายกับแผ่นหินตำแหน่งที่ระพินกับคริสนั่งคุยกันอยู่เมื่อครู่นี้แล้วมันก็เหนียวตัวขึ้นมาอย่างช้าๆผงกส่วนหัวส่วนหัวบนเชิดราดโดยมีเท้าสั้นๆคู่หน้ายันไว สิ่งที่พุ่งแป ร, ปรเปล่าออกมาจากปากยาวเป็นวามองเห็นเป็นสองแฉกชัดเจนและบัดนี้มันกำลังตะแคงคอเอียงศีรษะที่มองดูคล้ายกึ่งงูกึ่งตะกวดมองดูระพินไพรวันผู้กำลังก้นกระแทกสุดลงนั่งโขดหินที่เขาถอยพระออกมาจากที่เดิมดวงตากลมเขียวปัดทั้งคู่จ้องนิ่งอยู่ที่เขาเช่นนั้นเพราะส่วนสูงของร่างท่อนบนของมัน เหนือกว่าก้อนหินที่เขาหลบกำบังอยู่มากเหมือนจงอางใหญ่ที่ชูคอคมิ้นจ้องมองดู ก, กบเล็กๆเบื้องหน้าไกลๆแฉกลิ้นที่แลบแปรปราบอยู่นั้นห่างจากศีษะเข้าไปแค่สองวาเท่านั้นไม่มีทางที่เขาจะขยับขยื้อนเคลื่อนตัวได้อีกแล้วในระยะขนาดนี้เพราะถ้าเพียงแต่จะฉกหัววูบลงมาเท่านั้นจะถึงตัวเขาทันที รังสีความร้อนจากกายของเจ้าสัตว์ประหลาดแผดจ้ามาที่เขาปานจะเผาให้หมอดไหม้เป็นจุนบัดนี้ทั้งสองหูของระพินลั่นอื้อไปหมดไม่ได้ยินสับสำเนียงใดๆไปชั่วขณะไปใช้กับไรายฟื่ที่ตกอยู่ข้างๆกายหาประโยชน์ใดๆไม่ได้ต่อไปในภาวะเช่นนี้และเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะใช้งานจากมันเลยนอกจากสิ่งเดียวเท่านั้นคือการตั้งสัจจะอธิษฐานเสียงดวงชะตาบารมีของตนเอง กับสิ่งที่เขาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งลี้ลับเหนือภูมิเหนือโลกภูมิศาสตร์อันกําลังเผชิญหน้าอยู่นี้ข้าพเจ้ารอที่จะได้พบเห็นท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้พบแล้วมาดแม้นว่าข้าพเจ้าเคยมีบาปเวรใดๆกับท่านมาก่อนไม่ว่าแต่ชาติใดพบใดก็ตามขอท่านจงเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะชดใช้กรรม แต่จงปลดปล่อยทุกชีวิตที่มากับข้าพเจ้าในครั้งนี้ไปโดยความสวัสดีขออย่าให้เกิดภยดัยใดๆแกเขาเหล่านี้เลยอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวศสุวันโนมรนังสุขขังอรหังสุกโตภาวนาสิ้นสุดลงเพียงนั้นความรู้สึกทั้งมวลของรพินไพรวันก็ดับวูบลง คล้ายคนที่ล้มพับไปกลางทะเลทรายท่ามกลางความร้อนที่เหมือนร่างกายทุกส่วนจะละลายเป็นผุยผงจบเพชรพระอุมาภาคสองตอนจอมพราน